คือทั้งทางรูปและทั้งทางใจแล้วจึงมาสัญญาสังขารแล้วจึงมาวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมที่ละเอียดเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเห็นไตรลักษณ์ในรูป ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณได้โดยง่ายแม้ในการแสดงอริยสัจอย่างละเอียดคือปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นดังที่กำลังกล่าวอยู่นี้ ในบางพระสูตรก็ตรัสรวบรัดเช่นตรงแสดงจับแต่ชราบรณะชาติขึ้นมาจนถึงวิญญาณ ไม่ต่อขึ้นไปถึงสังขารถึงอวิชชาอาสวะแค่วิญญาณและบางแห่งก็ตัดอาจตนะกล่าวคือตัดแสดงว่าเพราะ วิญญาณเกิดนา ม, มารูปก็เกิดเพราะนา ม, มารูปเกิดสัมผัสก็เกิดไปสัมผัสทีเดียวไม่แสดงอาจตนะไว้ตรงนี้คือไม่แสดงว่าเพราะนา ม, มารูปเกิดอาจตนะทั้งหก็เกิดเพราะอาจตนะทั้งหกเกิดสัมผัสก็เกิด แต่ว่าตัดอาจตะนะเสียไม่แสดงตรัสว่ารอดนำ ม, มารูปเกิดสัมผัสก็เกิดและในการที่ตรัสแสดงนี้ก็ตรัสแสดงในทางที่เป็นประโยชน์สาหรับ ผู้ต้องการจะพิจารณาโดยไตรลักษณ์ซึ่งเป็นวิปัสนาธุระทางปัญญาสามารถที่จะพิจารณาจับนามรูป และสัมผัสให้เป็นมิปัสชนาภูมิภูมิของมิปัสชนาได้คือได้จัดแสดงไว้มีใจความว่า เมื่อ น, นามารูปเกิดขึ้นสัมผัสจึงเกิดขึ้นถ้านามารูปไม่มีสัมผัสก็ไม่มีและการจับพิจารณานามารูป ก็ตรัสสอนให้จับพิจารณาโดยอาการโดยเพศโดยนิมิตคือเครื่องกำหนดและโดยอุเทศก็คือ การแสดงหรือการที่จะตั้งชื่อสำหรับเรียกแสดงจับนามขึ้นก่อนเวทนา ก็ให้จับพิจารณาว่าเวทนาที่บังเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขมีอาการเป็นอย่างไรดูเวทนาที่บังเกิดขึ้นที่ตัวเองในปัจจุบันถ้าเป็นสุข มีอาการเป็นอย่างไรทุกมีอาการเป็นอย่างไรเมื่อทุกเมื่อสุขมีอาการเป็นอย่างไรมีเพศเป็นอย่างไรก็คือมีลักษณะที่ละเอียดหรือที่ซ่อนเล่นอยู่อย่างไรของเวทนามีนิมิต คือว่ามีเครื่องกําหนดมีที่ที่จะกําหนดอย่างไรมีอุเทศคือมีการแสดงอันหมายความว่ายกชื่อเรียกขึ้นมาเวทนาอย่างนี้อย่างนี้ สัญญาก็เหมือนกันดูอาการของสัญญาคือความจำหมายของจิตในอารมณนน์นั้นๆก็มีอาการเป็นอย่างไรมีเพศคือมีลักษณะที่เร้นลับปกปิดอยู่ตรงไหนอย่างไรมีนิมิตคือเครื่องกำหนด อย่างไรมีอุเทศคือว่ายกเชื่อขึ้นเรียกว่านี่คือสัญญาสังขารคือความปรงุงคิดหรือคิดปรุงก็เหมือนกันดูจิตของตัวเองที่คิดปรงุงหรือปรุงคิดว่ามีอาการเป็นอย่างไรมีเพศดังกล่าวเป็นอย่างไรมี นิมิตเครื่องกำหนดเป็นอย่างไรมีอุทเทศคือว่าตั้งคือเรียกว่าเป็นสังขารอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาให้ปนกันนั่นเป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นสังขาร และวิญญาณก็เหมือนกันก็ดูตัวที่เมื่ออาจตนาต่อกันก็เกิดความรู้ขึ้นเป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นทราบเป็นคิดรู้มีอาการเป็นอย่างไรมีเพศเป็นอย่างไรมีนิมิตขึ่งกำหนดเป็นอย่างไร แม่อุเทศคือว่าตั้งคือเรียกว่านี่เป็นจะกคู่วิญญาณนี่เป็นโซตะกวิญญาณดังนี้เป็นตนกำหนดดูจิตของตนเองที่น้อมออกรับอารมณ์ซึ่งเป็นตัวนามดังกล่าวให้รู้จักอาการให้รู้จัก ให้รู้จักนิมิตให้รู้จักอุเทศดังที่กล่าวมาแล้วเป็นอันรู้จักฟิปัสนาภูมและเมื่อกำหนดให้รู้จักดังนี้จึงจะเกิด สัมผัสคือความกระทบดังที่กล่าวโดยชื่อในรูป ในส่วนที่เป็นรูปเพราะว่าก็จะได้กำหนดชื่อหรือรู้ชื่อของตาของหูจมูกเล่นกาย รูปเคลยงนกลินรถพลิภัณเป็นต้นอันเป็นส่วนรูปนั้นด้วยและก็ให้กำหนดรูปโดยอาการโดยเพศ โดยนิมิตและโดอุเทศคือการที่จะตั้งชื่อเรียกกล่าวมานั้นด้วยและเมื่อเป็นดังนี้จึงจะมีสัมผัสคือความกระทบในานามคือกระทบ ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณดังที่กล่าวมานั้นด้วยและเมื่อได้พิจารณาทั้งนามทั้งรูปให้รู้จักดังกล่าวมานั้นสัมผัสคือความกระทบทั้งโดยชื่อทั้งโดยการกระทบกันและกัน ก็ย่อมบังเกิดขึ้นและเมื่อจับพิจารณาดูสัมผัสคือความประทบทั้งโดยชื่อทั้งโดยความประทบก็จะรู้จักตัวสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นสูนนาม และทั้งในกายอันเป็นสูนรูปคือทั้งในนามรูปตามที่จะแสดงไว้นี้เป็นการแสดงมุ่งทางวิปัสสนาภิโดยที่ตัดเอาข้ออาจตนะะตร์กลางออกเสียจากนามรูปก็มาสัมผัสทีเดียวและเมื่อแสดงโดยปกติ ก็ตรัสแสดงนามาูปอาจิตนะแล้วจึงมาสัมผัสเพราะฉะนั้นในการฟังความที่ข้อเหล่านี้เป็นปัจจัยของกันจึงอาจใช่ วิธีนี้พิจารณาทางวิปัสนาภูมิได้คือพิจารณาจับให้รู้จักนามารูปโดยอาการเป็นต้นนำให้รู้จักสัมผัสซึ่งเกิดสืบเนื่องก็จะเห็นนามารูปเห็นสัมผัสเป็นวิปัสนาภูมิ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจวังสวดและตั้งใจทำความสงบสึกต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติงบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่าน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 ตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้น ว่าอาศัยกันอย่างไรตามในยะพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรซึ่งท่านอธิบายในข้อสมาธิทธิความเห็นชอบ ประกอบด้วยพระพุทธอธิบายซึ่งนำมาแทรกเข้าและในตอนที่แสดงอธิบายถึงธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้น ซื่ไปเป็นสายเหมือนอย่างสายโซ่ซึ่งประกอบด้วยลูกโซ่เป็นอันมากในตอนที่กำลังอธิบายนี้ก็เท่ากับกำลังอธิบายว่า ลูกโซ่แต่ละลูกนั้นคล้องกันไปอย่างไรจึงได้ต่อกันไปเป็นสายเส้นเดียวกันซึ่งได้มาถึงข้อว่า หรือสัมผัสเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุอาศัยคือเมื่อสัมผัสหรือผัสสะเกิดขึ้นเวทนาก็เกิด เงื่อนหรือข้อต่อซึ่งได้อธิบายไปแล้วก็คือเพราะอาจตนะทั้งหกเป็นปัจจัยจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะแต่ ก็ได้แสดงอธิบายแทรกว่าในพระสูตรบางพระสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงข้ามอาจตนะทั้งหกคือตรัสว่าเพราะนามารูป เป็นปัจจัยเกิดสัมผัส์ก็เป็นปริยายคือเป็นทางแสดงของธรรมะซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสม ในการแสดงนั้นๆซึ่งบางครั้งก็แจกแจงอย่างละเอียดบางครั้งก็แสดงอย่างรวบรัดเมื่อแสดงอย่างรวบรัดก็คม อาณานะทั้งหกดังที่ได้แสแดงอธิบายแล้วแต่เมื่อแสแดงไม่รวบรัด<ๆ>ก็แสแดงอาณานะทั้งหกต่อจากนา ม, มารูปคือพระนา ม, มารูป เป็นปัจจัยก็เกิดอายตนะทั้งหกเพราะอายตนะทั้งหกเป็นปัจจัยก็เกิดสัมผัสหรือผัสธะและแม่ในข้ออายตนะทั้งหกเป็นปัจจัยแห่งผัสธะนั้น ผูปฏิบัติก็เพ่งพิจารณาจับให้รู้จักอาการเป็นต้นของอายตรรทั้งหกนั้นแต่ละข้อเชื่อมกับสัมผัสหรือผัสสะให้เป็นวิปัสนาภูมิ ของวิปัสสนาได้คือเพ่งพินิษพิจารณาให้รู้จักอาการให้รู้จักเพศให้รู้จักในมิตรคือเครื่องกำหนด และให้รู้จักบุธเทศคือการแสดงเช่นแสดงชื่อของตากับรูปที่ต่อกันหูกับเสียงที่ต่อกันจมูกกับกลิ่นที่ต่อกันลิ้นกับรสที่ต่อกัน กายและพุิตภัที่ต่อกันมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่ต่อกันจึงในเกิดวิญญาณเห็นจักขู่วิญญาณรู้รู ป, รปทางตาคือเห็นรูปเป็นต้น และเมื่อทั้งสามนี้มาประชุมกันจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะแต่ว่าในหมวดปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นแสดงว่าเพราะผัสสะเป็นปแสดงว่าเพราะอาณาจัเป็นปัจจัย ก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะก็เป็นการรวบรัดการพิจนารณาให้รู้จักอาการเป็นต้นของวิถีจิตทางดำเนินของจิตใจดังนี้ ก็เป็นวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนาดังกล่าวแล้วและเพราะสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยหรือว่าเพราะสัมผัสหรือผัสสะมีขึ้นเกิดขึ้นจึงเกิดเวทนา ยังมีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ว่าเวทนาที่จำแนกออกเป็นเวทนาห้าได้แก่สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบคาซึ่งมีอธิบายว่าสุขก็ได้แก่สุขทางกาย ทุกคนเด็และทุกทางกายโสมนัสสุขทางใจโหมนัสทุกทางใจอุเบขาก็คือความเป็นกลางกลางไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โหมนัส แต่เมื่อย่อเข้าก็เป็นเวทนาสามที่แสดงกันโดยมากคือสุขทุกข์และอทุกขขมสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเมื่อแสดงเวทนาสามดังนี้สุขก็หมายถึง ทั้งสุขทังกายทั้งสุขทางใจทุกขก็หมายถึงทั้งทุกทางกายทั้งทุกทางใจมาทุกข์มาสุขไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็หมายถึงอุเบกขาเป็นกลางกลางไม่ใชทุกไม่ใช่สุขทางกายทางใจเพราะฉะนั้นแม้จะ จำแนกเวทนาเป็นสามแม้จะจำแนกเวทนาเป็นห้าก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองก็คือหมายถึงสุขทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นกลาง ที่เป็นไปทางกายบ้างที่เป็นไปทางใจบ้างและท่านมีแสดงขยายความออกไปอีกว่าอันสุขทุกข์ ทางกายนั้นก็มังเกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายคือสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องทางกายส่วน ที่เห็นรูปต่างๆสัมผัสทางหูที่ได้ยินเสียงต่างๆสัมผัสทางจมูกที่ได้สากลิ่นสัมผัสทางลิ้นที่ได้สัมรสต่างๆและสัมผัสทางมโนโคือใจที่ได้ ไดรู้เรื่องต่างๆย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ทางใจฉะนั้นสุขทุกข์ทางกายนั่น